154อุจจารสยณมหาไสยนาปฏิเขปะว่าด้วยทรงห้ามที่นอนสูงใหญ่เรื่องพระฉับ พ, พักคีใช้ที่นอนสูงใหญ่254สมัยนั้นพวกภิกษุฉับ พ, พักคีใช้ที่นอนสูงใหญ่คือ 1. เตียงมีเท้าสูงเกินขนาด สองเตียงมีเท้าเป็นรูปสัตว์ร้ายสามพรมขนสัตว์สี่เครื่องลาดขนแกะลายวิจิตห้าเครื่องลาดขนแกะสีขาวหกเครื่องลาดมีรูปดอกไม้เจ็ดเครื่องลาดยัดนุ่น 8. ปเครื่องลาดขนแกะวิจิต ด้วยรูปสัตว์ร้ายเช่นราชสีและเสือเก้าเครื่องลาดขนแกะมีขนสองด้านสิบเครื่องลาดขนแกะมีขนด้านเดียวสิบเอ็ดเครื่องลาดปากด้วยไหมประดับรัตนะสิบสองเครื่องลาดผ้าไหมประดับรัตนะสิบสามเครื่องลาดขนแกะขนาดใหญ่ ที่นางฟ้อน16คนไร่รำได้ 14. เครื่องลาดบนหลังช้าง 15. เครื่องลาดบนหลังม้า 16. เครื่องลาดในรถ 17. เครื่องลาดทําด้วยหนังเสือดาว 18. เครื่องลาดหนังชมด 19. เครื่องลาดมีเพดาน20เครื่องลาดมีหมอนสองข้าง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 เครื่องลาดมีหมอนสองข้างรูปใดใช้ต้องอาบัดทุกกฎ